ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัญนาสมาเวทะละโสเนี่ยนะคำถามของผู้ที่มีปัญญาคือคําว่าเป็นผู้มีปัญญาในความหมายนี้เนี่ยนะก็คือท่านเหล่านี้คือพระมหาโกธิตะและท่านพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาที่ปัญญาไม่ใช่ปัญญาธรรมดาเป็นเอตัทคะในด้านปัญญา พระมหาโกธิตานั้นเป็นเอตทัคคะในด้านปฏิสัมพิธาปฏิสัมพิธานั้นก็แปลว่าปัญญาเป็นเครื่องแตกฉานคือปัญญาที่แตกฉานแล้วก็เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์อริยสัจสามารถที่จะนําอริยสัจมาแสดงโดยปริยายต่างๆแล้วก็ภาษาริบุตรก็เป็นเอตทัคคะในด้านปัญญาเนี่ยนะเลิศปัญญาตรงๆเลยเป็นผู้มีปัญญาหาที่สุดไม่ได้พท่านสามารถที่จะตอบ ปัญหาได้เจ็ดวันเจ็ดคืนเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็การตอบปัญหาของท่านนั้นไม่ใช่ตอบเพราะการ เ, าเพียงแต่การได้ยินได้ฟังหรือว่าตอบเพราะจินตนาการแต่ตอบแบบผู้รู้ผู้เห็นอย่างคำถามของทั้งสองท่านนั้นเป็นการถามตอบแบบผู้ที่รู้ผู้ที่มีเทระว่าเข้าเหมือนกันเนี่ยนะอย่างเหมือนทานอาหารเหมือนกันรสชาติเดียวกันแล้วมาสนทนากันในเรื่องอาหารอันนี้ก็ ท่านได้สเสวยอมตะรสคืออมตะนิพพานเหมือนกันแล้วท่านก็มาสนทนาถึงข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็โดยนัยยะต่างๆทั้งวิธีการปฏิบัติทั้งวิธีพิจารณานะทั้งเหตุปัจจัยของปัญญาเป็นต้นตลอดจนถึงการเข้าพระสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนะซึ่งเป็นคุณธรรมที่นับว่าสูงมากในพระพุทธศาสนาก็การเข้าการได้ อนุปภะนิโรสมาบัติก็คือสัญญาเวทายตะนิโรธการดับจิตและเจตสิกนี่มีคำถามว่ า, าแล้วดับจิตเจตสิกเนี่ยมันมันสบายอย่างไรก็บอกว่าคนที่เกิดมาเนี่ยนะเป็นไขนอนทุกระทมเขาไม่เข้าใจว่าถ้าดับโรคได้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะมันจะสบายขนาดไหนบางทีก็นึกไม่ออก พระรหานทั้งหลายเนี่ยนะในทัศนคติของท่านในทิฏฐิของท่านท่านเห็นว่าขันธ์ห้าเนี่ยคือสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีแล้วท่านเห็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่สร้างอะไรนะสร้างความคิดขึ้นมาหลอกตัวเองไม่ใช่แต่ท่านเห็นว่าขันธ์ห้าทั้งหลายนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆจึงไม่มีแม้แต่ขณะเดียวที่จะเพลิดเพลินในขันธ์ห้าอันนะชื่นชมในขันธ์ห้า แต่ท่านจะชื่นชมข้อปฏิบัติเพื่อให้ดับขันธ์ห้าเพราะฉะนั้นนั่นคือทัศนคติของท่านเพราะฉะนั้นท่านเห็นว่าการเข้านิโรธสมาบัติที่ดับขันธ์ห้าโดยเฉพาะดับจิตทั้งหลายดับเจตสิกทั้งหลายดับความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยมันเป็นความสุขอย่างแท้จริงแต่ที่นี้ท่านเหล่านั้นไม่ใช่เป็นคนโทสะจริตไม่ใช่เป็นคนที่มองมองโลกในแง่ร้ายด้วยอัคติไม่ใช่ แต่ท่านเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ถูกต้องตามเป็นจริงที่สุดเนี่ยน ะ, ะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาศาสตร์ส่สองเห็นความจริงนั้นผู้ที่รู้ความจริงนั้นจึงน้อมเข้าไปหาความจริงที่สูงสุดก็คือพระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นความจริงที่สูงสุดเป็นความจริงที่สงบระงับดับทุกทั้งปวงเพราะะฉนั้นคําถามคําตอบที่ผ่านมาก็ล้วนแต่เป็นคําถามคําตอบประเภท มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะมีเป็นคำถามคำตอบประเภทมีจิตน้อมไปเข้าสู่พระนิพพานมีจิตที่ดำรงมั่นในพระนิพพานแล้วก็มีจิตที่สมมติถ้าออกกลับมาเป็นโลกิยะจิตนั้นเป็นอย่างไรนี่ น, นะเรีย<ว>ก<น> <observation> ว่าแปรสภาพจากโลกิยะจิตไปสู่โลกุตระจิตได้อย่างไรดำรงอยู่ในโลกุตระจิตได้อย่างไรแล้วก็ออกจากโลกุตระจิตนะแปรสภาพมาเป็นโลกโยะจิตอย่างไรเนี่ย น, นะ ผู้ที่ศึกษาปัจจัยเนี่ยนะศึกษาปัจจัยทั้งในแง่กระแสของความคิดเนี่ยนะกระแสจิตใจที่ไหลสืบเนื่องกันไปเป็นอนันตระปัจจัยเนี่ยนะคือโลกของความคิดเนี่ยมันเป็นไหลไหลชนิดที่เรียกว่าไม่มีหยุดมีหย่อนเลยสังสารวัตรเนี่ยนะคนที่พักความคิดได้มีอยู่สองท่านอันนะพักโดยพบอย่างหนึ่งพักโดยพบก็คือผู้ที่เข้าอารูปเกิดในอสัญญสัตตาพบ พื่ น, นี้จะพักความคิดชั่วระยะ500ร้อยกับเนี่ยนะไม่มีความคิดตลอดระยะว่า500ร้อกับไม่มีจิตนนะดับจิตแต่แต่ก็ยังเชื่อว่าเป็นสัตว์เพราะอะไรเพราะยังเป็นกรรมมัชรูปเพราะมีกรร ม, มัชรูปเนี่ยนะเพราะมีจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยเปรียบเหมือนกําลังส่งของอะไรนะลูกธนูที่ลอยอยู่ในอากาศอาศัยกําลังส่งคือชานทั้งหลายแต่จิตนั่นแหละเป็นเป็นตัวส่งให้ไปเกิดในอสัญญสัตตาภพ หลังจากนั้นเนี่ยนะจะดับจิตได้อีกทีหนึ่งก็ต่อเมื่อเป็นพระอาหารหันต์แล้วจึงจะดับจิตได้ช่วงสามวันเจ็ดวันหรือตามที่ตนปรารถนานี้ในที่สองในที่สมก็คือเมื่อจุติจิตของพระอาหารหันต์เกิดไปแล้วเนี่ย น, นี้จึงจะดับจิตได้อย่างแท้จริงเพราะนั้นตัวที่ดับยากที่สุดก็คืออะไรจิตนะดับความคิดเนี่ยดับยากที่สุด อย่างเช่นดับความคิดที่โกรธเนี่ยเราโกรธอะไรสักอย่างเนี่ยดับง่ายหรื อ, อยากอา่ะหรือนอนไม่หลับเนี่ยดับง่ายหรือดับยากหลับเทอพอแล้วเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยนะแต่เราทั้งหลายปกติวิสัยโดยทั่วๆไปจะเห็นโทษของสจิตธรรมดาจิตปกติเนี่ยจิตที่แบบจิตที่โลภจิตที่ต้องการอะไรที่บ่าเราเห็นโทษนั้นเราอยากจะดับความคิดประเภทนั้นแต่ก็ยังยินดีในจิตเราอื่นเราอื่น ที่เป็นเช่นนั้นก็ไม่แปลกใจอะไรเพราะเราไม่ได้เป็นผู้ที่รอบรู้ในเรื่องจิตอย่างแท้จริงแต่พระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ที่รอบรู้ในเรื่องจิตรอบรู้ทั้งสภาวะรอบรู้ทั้งเหตุปัจจัยรอบรู้ทั้งความสืบเนื่องไหลให้ไปเนี่ยนะนะรอบรู้ทั้งอุปนิสัยของจิตรอบรู้ทั้งอารมณ์ของจิตรอบรู้ทั้งสัมปยุต ธ, ธรรมของจิตเนี่ยนะแล้วก็รอบรู้ถึง แบ่งสภาพของจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลจิตเป็นจิตมีโทษจิตไม่มีโทษจิตเราใดมีรากชนิดไหนเป็นอย่างไรเนี่ยท่านวิเคราะห์ได้ทั้งหมดแล้วท่านก็มาคัดสรรความคิดที่เลวๆออกไปคัดสรรความคิดที่มีโทษออกไปแล้วก็เหลือแต่ความคิดที่ไม่มีโทษทีนี้ความคิดที่ไม่มีโทษความคิดไหนที่ยังใกล้ต่อสิ่งที่มีโทษเรียกว่าใกล้ต่ออาสวะเนี่ยนะเรียกว่าสาสวะ จิตเราใดาที่ยังเป็นสาสะวะจิตเราใดาเป็นอนาสะวาเนี่ยนะท่านก็น้อมไปหาจิตที่เรียกว่าอนาสะวะที่พ้นจากอาสะวะโดยประการทั้งปวงเรียกว่าโลกุตรจิตที่พ้นจากกามาสะวะผวาสะวะทีนี้การที่จะกําจัดอาสะวะทั้งหลายออกจากจิตเนี่ยนะก็ต้องทำอย่างไรจะต้องให้จิตเนี่ยประกอบด้วยสติปัฏฐานนะมาเจริญจิตที่ประกอบด้วยสติปัฏฐานสั ม, มปัฏฐานอิทิบาทอินทรีพระโพชฌงและองมร์เนี่ยนะ จนกว่าจะพัฒนาจากกุศลจิตเล็กน้อยเป็นกุศลจิตที่เกิดบ่อยๆจากกุศลจิตที่เป็นปริตตะเป็นมหคตะจากปริตตมหคตะเนี่ยน ะ, ะผสมกั น, นนะสลับคละเคล้ากันไปโดยสมถะและวิปัสนาพัฒนาไปเป็นโลกุตระจิตนี่ในด้านโลกุตระจิตก็มีการพัฒนาตัวเองอีกไปจนถึงสูงสุงสดคืออรหัตผลจิตทีนี้เมื่อดำรงอยู่ในอรหัตผลจิตแล้วเนี่ยก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ ย, น, น, น, ยนะ ท่านก็มาทำกิจของพระอรหัน ต, ต์ทั้งหลายถ้าเป็นพระอรหันตรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาทำกิจคือบำเพ็ญพุทธกิจด้วยกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ทั่วไปก็จะดำรงดรงอยู่ในฐานะนาบุญของโลกเนี่ยนะจะดำรงอยู่ในฐานะเป็นนาบุญของของโลกเหมือนคนที่ทำงานส่วนตัวเสร็จแล้วที่เหลือก็ทำงานสาธารณะกุศล น, นะโดยที่ไม่หวังผลกําไรไม่หวังการตอบแทนไม่จําเป็นต้องเรียกว่ามีชื่ออยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยนะบรรดาทหารทั้งหลายท่านจะเรียกว่าเอ่ยชื่อท่านเนี่ยแทบจะไม่มีอยู่ในในคัมภีร์เนี่ยนะคือไม่จําเป็นแล้วท่านก็จะนั่งเงียบๆอยู่ตรงนั้นถ้ายิ่งมีผู้ที่มีเขามีปัญญาสา ม, มารถที่แสดงในสิ่งเหล่านั้นได้อยู่แล้วท่านก็มีความสุขที่จะฟังคือท่านนั้นฟังท่านก็มีความสุขแสดงท่านก็มีความสุขแต่ท่านน้อมไปเพื่อฟังมากกว่าเนี่ยนะ จะยิ่งอยู่ในสมัยที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วด้วยก็ถือว่าแบบอะไรนะแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ก็ส่องอยู่แล้วนะสปอตไลท์ธรรมดาก็ไม่จําเป็นจะต้องเอามาเปิดอะไรเนี่ยนะก็ใช่แต่แสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็ถือว่าสําเร็จเกตเต็มที่แล้วเนี่ยนะอย่างกลางวันเนี่ยนะถ้าเปิดข้างนอกเราต้องเปิดไฟด้วยไหมไม่จําเป็นใช้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์อย่างเดียวก็พอแล้วเนี่ยนะแต่ถึงอย่างนั้นท่านเหล่านั้นก็มีการสนทนาธรรมถ้อยคําที่สนทนาธรรมเนี่ยนะ ท่านสนทนาแบบผู้ที่มีอริยทรัพย์เนี่ยนะมีทรัพย์คือมีสติปัฏฐานมีสัมมปัฏฐานมีอิธิบาทมีอินทรีย์มีพระมีโพชฌงมีองค์มรรคทั้นข้อสนทนาของท่านจะอยู่อย่างไรสนทนาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเหตุปัจจัยของศีลเหตุปัจจัยของสมาธิเหตุปัจจัยของปัญญาเนี่ยนะหรือว่าเมื่อศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์แล้วอารมณ์ของศีลสมาธิปัญญาคืออะไร อารมณ์เหล่านั้นทั้งที่เป็นสังคตะและอสังคตะเนี่ยนะที่เรณาอารมณ์ทั้งโดยบัญญัติและก็โดยปรมัตาทั้งในแง่การพิจารณาโดยนิยต่างๆแง่มุมต่างๆซึ่งถือว่าเป็นเครื่องอยู่อย่างหนึ่งของท่านเนี่ยนะเป็นวิหารธรรมอย่างหนึ่งของพระเรียเจ้าทั้งหลายก็คือการสนทนาธรรมนี่แต่ว่าการสนทนาธรรมของท่านเนี่ยเป็นการสนทนาที่นําออกจากทุกขเป็นการสนทนาเพื่อเพื่อพ้นทุก์ การสนทนาของบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขทั้งผู้สนทนาและผู้ฟังคือเมื่อฟังแล้วก็เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเอาไปประพฤติปฏิบัติตามก็นำมาซึ่งประโยชน์และความสุขซึ่งไม่เหมือนกับปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะไม่เหมือนกับคนที่เจือไปด้วยราค้าทั้งหลายเนี่ยนะคนพูดก็เดือดร้อน พูดจบเอ่ลังพูดก็เดือดร้อนพูดจบแล้วก็เดือดร้อนคนฟังกระละขณะฟังก็เดือดร้อนฟังจบแล้วก็ได้เวนเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งอันนั้นเป็นคําพูดของปุถุชนทั่วไปที่ไม่มีสังวรเนี่ยนะไม่มีศีลสังวรเป็นต้นเนี่ย<ๆ>ก็จะสร้างแต่ความเดือดร้อนไปเรื่อยๆซึ่งตรงกันข้ามจับโลกของพระเรียเจ้าทั้งหลายที่ไม่มีความเบียดเบียนเนี่ยนะโดยเฉพาะธรรมที่ไม่เบียดเบียเนเป็นอย่างยิ่งสูงสุดคือพระนิพพานเนี่ยนะ ทีนี้มาขึ้นปัญหาที่สามสิบสองเนี่ยนะก็นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็เป็นปัญหาสุดท้ายเนี่ยนะปัญหาสุดท้ายที่พระมหาโกธิตะยกมาถามพระสารีบุตรซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่นนะนะที่มีความสำคัญมากต่อทัศนคติของเราทั้งหลายเนี่ยนะต่อการปรารถนาะ การบรรลุมรคผลต่อการปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์ของพวกเราเนี่ยนะในข้อ504หน้า287พระมหาโกธิตะถามว่าท่านครับสิ่งที่เรียกว่าเจโตวิมุตติที่ไม่จำกัดขอบเขตแปลเป็นภาษาบาลีคือว่าอัปปมัญญาเจโตวิมุตติเนี่ยนะอันดับแรกคืออัปปมัญญาเจโตวิมุตติ อย่างที่สองอากินจัญญายตนะเจโตวิมุตตหรืออากินจ nei, ัญญาเจโตวิมุตตที่แปลว่าเจโตวิมุตตที่เกิดจากการบริกรรมว่านัตถิกินจิหน่อยหนึ่งก็ไม่มีน้อยหนึ่งก็ไม่มีอย่างที่สสุญญตาเจโตวิมุตตเจโตวิมุตตที่ที่เป็นสุญญาเนี่ยนะแล้วก็4อนิมิตตาเจโตวิมุตตเจโตวิมุตชนิดที่เรียกว่าไม่มีเครื่องหมายเรียกว่าอนิมิตตาเจโตวิมุตต คำ ถ, ถามคือวิมุตต์ทั้งสี่ประการคือหนึ่งอปมัญญาเจโตวิมุตต์สองอากินจัญญาเจโตวิมุตต์สาสุญญาตาเจโตวิมุตต์สอนิมิตตาเจโตวิมุตต์อัฏฐ์เหมือนกันหรื อ, อนะเขาบอกว่าอะไรไปเขาบอกว่าใจความต่างกันของพยัญชนะนี่มีหรือไม่หมายเขาว่าคำเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วละ่ะแต่ความหมายนี่เหมือนกันได้ไหมทั้งสี่อย่างนี่เหมือนกันโดยอัถฐ์ไหม อย่างที่สองหรือต่างกันแต่เพียงพยายชนะหมายถาว่าอัฏฐะต่างกันพยัญมชนะเนี่ยต่างกันอยู่แล้วทั้งสี่ข้อมีความหมายที่ต่างกันไหมหรือเนื้อหาอัฏฐะไม่ต่างกันเลยภาษาริบบทก็ตอบว่าอาวุโสอปปมัญญาเจโตวิมุตอากินจัญญาเจโตวิมุตตสุญตาเจโตวิมุตอนิมิตตาเจโตวิมุต ทั้งหมดนี้มีอัถะต่างกันมีพยัญชนะต่างกันก็มีมีอัถะอย่างเดียวกันต่างกันแก่พยัญชนะก็มีมีทั้งสองในในที่เรียกว่าคําก็ต่างเนื้อความก็ต่างก็มีต่างแต่คําแต่อัถะเหมือนกันก็มีอันดับแรกก่อนเจโตวิมุตต์เนี่ยนะาบอกว่าทั้งทั้งสี่อย่างเนี่ยเจโตวิมุตต์ทั้งอัปปมัญญาเจโตวิมุตต อากินจัญญาเจโตวิมุตต์สุญญาตาเจโตวิมุตต์อนิมิตตาเจโตวิมุตต์ที่มีความหมายต่างกันด้วยพยัญชนะก็ต่างกันด้วยคืออะไรอันดับแร ก, กบอกว่าอาวุโสภิกษุในพระศาสนานี้ใช้จิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่เมตตาจิตเนี่ยนะจิตที่เป็นไปด้วยกับความรักไมายถึงเมตตาเจโตวิมุตต์เนี่ย เจร oui, ิญมีจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งคืออันนี้อธิบายอะไรอัปปมัญญาเจโตวิมุตตอันน่ะอัปปมัญญาเจโตวิมุตต์อันดับแรกอธิบายอัปปมัญญาเป็นพรหมวิหารก่อนพรหมวิหารมีสประการคือเมตตาเมตตาอัปปมัญญาสิ่งที่ไม่มีประมาณคือเมตตาหรือสิ่งที่หาประมาณไม่ได้คือเมตตาสิ่งที่หาประมาณไม่ได้คือกรุณา สิ่งที่หาประมาณไม่ได้คือมุทิตาสิ่งที่หาประมาณไม่ได้คืออุเบกขา